พระธรรมเทศนาแผ่นที่53ลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่25มีนาคม2556มีชื่อเรื่องว่าปฏิบัติธรรมเบื้องต้นและเกิดเป็นคนต้องรู้คุณคน ตามปกติวัดของเราถ้าหากไม่มีกรณีพิเศษวัดของเราก็จะมีการไหว้พระสวดมนต์ทาวัดเย็นที่ทํารวมเป็นกลุ่มก็คือวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำถ้าเป็นกรณีพิเศษ ประชุมกันในระหว่างแปดค่ำ15บาค่ำก็มีเป็นบางครั้งถ้าหากว่าเรามีภารกิจหรือว่ามีเรื่องที่จะต้องปรึกษาปรารบหรือว่ามีเรื่องที่จะประชุมหารือก็จะมีการประชุมในระหว่างแต่ครั้งนี้ในระยะถ้าหากว่าเป็นไปได้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 พอไปเป็นเวลาชันอาหารนั้นจะต้องพูดในตอนเย็นเกี่ยวกับกฎระเบียบและวินยัยที่พวกลูกหลานจะได้เรียนรู้เรื่องหลักพระธรรมวินยัยหรือแนวทางของพระพุทธศาสนาศีลธรรมจริยธรรมที่ครูบาอาจาร อย่างหลวงพอ่อที่อยู่ในพระพุทธ ศ, ศาสนานมนานมีอะไรที่จะเกิดประโยชน์สำหรับพระลูกพาหลานที่จะเข้ามาศึกษาก็จะได้บอกกล่าวเรื่องนั้น น, นแต่ถ้าว่าหลวงพ่อไมโ่โยหลวงพ่อก็จะได้บอกพระพีเลี้ยงรล้วบอกพระกูบาลจาั์ ที่อยู่ในวัดก็ให้มาร่วมกันไหว้พระสวดมนต์ย่ออย่างวันนี้แ่ะเสร็จแล้วก็เอา MP3 ของหลวงพ่อที่ได้เทศหรือว่าได้พูดหรือว่าได้กล่าวสมโภธนิยกถาต่างกลรมต่างวาระมีก็มีมากอยู่ที่จะให้พวกเราที่เป็นนักศึกษารุ่นนี้รุ่นที่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 จะดูนานไปเท่าไรอาหารก็เหมือนกันเนี่ยทานเข้าไปกันก็เป็นอย่างเก่าเพื่อเลี้ยงธาตุขันให้อยู่ได้ทำรรมะก็เหมือนกันเมื่อเราปฏิบัติเข้าไปแล้วก็ททำให้จิตใจของเราได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุกจะทำยังไงจิตใจของเราจึงจะร่มเย็นเป็นสุกได้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 ให้เพื่อการศึกษา 80% เอร์ซนให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาตั้งอกตั้งใจปฏิบัติจะทำยังไงจิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบได้เราต้องพยายามแล้วภาวนาปฏิบัติอย่างที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอน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 มันเอาไม่อยู่จะกำหนดมันก็ปุงอยู่ตลอดมันเอาไม่อยู่ถ้ามันไม่อยู่อย่างนั้นเราก็จะพิจารณาร่างกายก่อนก็ได้พิจารณาอะไรอย่างที่พระอุปัชฌาย์สอนเกษาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเชื่อในกระดูกม้าหัวใจตับพังผืดไตปอดใช่ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่า เลือดดีพวกเลือดอน้ําอยู่ในร่างกายของเราจากนั้นก็กระดูกที่อยู่ในร่างกายของเราที่เป็นโครงสร้างในร่างกายขเรามีโครงสร้างคือกระดูกอยู่ในร่างกายเรากําหนดดูกระดูกจากนั้นก็ดูทุกส่วนของร่างกายมันอยู่ในสภาพเช่นไรแยกส่วนแบ่งส่วนดูก็ได้สมมติ สมมติแยกอยูร่างกายของเราเนี่ยเอานั่งอยู่ที่เนี้ยถอนผมมากองไว้กองหนึ่งถอดเทบไว้กองหนึ่งถอดฟันไว้กองหนึ่งถลกหนังไว้กองหนึ่งจากนั้นก็ชําแหละเนื้อไว้อี ก, กองหนึ่งดูตับดูปอดดูลำไส้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 รงร่างกายวานร่างกายนีจะเป็นของจิรังถาวรจะอยู่นานเท่านานจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายพราะนั้นจึงหลงพอหลงแล้วกันนะลืมไปหมดทุกอย่างคิดว่า ท, ทุกอย่างมันเป็นของเราทั้งหมดผลี่สุดคว้าน้้ำเหลวทั้งหมดมันไม่ใช่ของเราเห็นไห ม, มพวกปู่ย่าตายายพวกอาเสียอากงอามากของพวกเราไปไหนหมด แต่สมัยก่อนเขาก็ถือว่าเป็นของเขาทั้งหมดแต่บัตรนี้ไปเขาเหล่านั้นไปไหนหมดมาถึงพวกเราเราก็ยึดถืออย่างที่พวกเขาเหล่านั้นเนีต่อไปอีกมดอีกพวกลูกหลานก็เออพวกเราไปไหนหมดเขาก็จะถามหาอีกเหมือนกันโปรีิสุดมันเป็นทอดทอดมันเป็นความรุ่มหลงมัวเมา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 จะเห็นได้ชัดได้เร็วเวลาเรานั่งภาวนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจเข้ารู้หายใจเข้ า, าหายใจออกรู้หายใจออ ก, าาออกมีสติสัมปชัญญะก็พร้อมกับบริกรรมพุทโธแต่มันยังลดอยให้บริกรรมพุทโธให้ทีหลวงพ่อบอกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธห้ใจของเราบริกรรมนะแต่ไม่ให้มันออกเสียงไม่ให้ออกปากให้มันให้บริกรรมอยู่ในใจพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ ไอ้ตัวนึกคิดนะ่ะตัวที่มันปุงฟุ้งออกไปข้างนอกนั่นนะอย่าให้มันนึกคิดอย่าให้มันปุงออกไปให้มันอยู่กับพุทธโธอย่างเดียวสำมทับอยู่กับพุทธโธให้ถี่เยิบไม่ให้มันมีช่องว่างที่จะออกไปอันนี้ก็คือวิธีหนึ่งคือสองวิธีแหละ ว, วิธีหนึ่งก็คือกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจะมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกอันที่2อก็คือ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 หายใจออกมันเป็นเลขคู่1 2 3 4งสองสี่ห้าหกดแดขี้คู่ขี้คู่ขี้คู่ไปถึงร้อถ้ามันไม่เผลอแสดงว่าสติของเราดีในระดับหนึ่งแต่ถ้าว่ามันเผลอเวลานับไปนะมันเผลอหลุดหายใจเข้าเป็นเลขคู่หายใจออกเป็นเลขขี้แสดงว่าเราใช้ไม่ได้สติของเราอ่อนมาก พยายามตั้งให้แข็งขึ้นเองพยายามรูสติของเขาให้เข้มแข็งกันเองหายใจนับดูสิจนไม่เผลอไม่เผลอนับทีไรก็ไม่เผลอสัก10ครั้งแสดงว่าใช้ได้จากนั้นก็มาบริกรรมพดโถหายใจเข้าพดหายใจออกจะดีขึ้นมากทีเดียวนะอันนี้เป็นการทดสอบทดลองทดลองดูนะอันนี้ผลวงพอแนะนำคิดว่าไม่ผิด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 ก็เหมือนกันเพราะโครงกระดูกของมนุษย์โครงกระดูกหญิงชายเหมือนกันใช่ไหมที่เราเห็นเราก็ชายมีกระโหลกหัวมีกระดหกมีกระดูกคอมีกระดูกไหปารามีกระดูกแขนทั้งสองข้างมีกระดูกนิ้วมือเกิมีกระดูกชี้โครงมีกระดูกหลังมีกระดูกเชิงการมีกระดูกขา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 จากเราก็พิจารณาโครงกระดูกย้อนค่อยๆพิจารณาไม่ใช่แบบรวบรวบลาดนะพิจารณากโกรกศีรษะแล้วมาดูใบหน้ามีโครงจมูกยังไงมีขาการกลายยังไงมีฟันยังไงเบื้องบนเบื้อ ง, องล่างยังไงขาการกลายยังไงกระดูกคอยังไงมันต่อยังไงมันติดกันยังไงกระดูกมันลงมาหากระดูกคอกระดูกหาปาร้ายังไง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 เห็นชัดเจนที่สุดว่าเรากําหนดดูเห็นกระโหลกศีรษะอย่างนีเ้เราเห็นกระโหลกศีรษะขาวโพนที่ศีรษะของเราเกระดูกขาวที่ศีรษะเราก็เอาจิตหรือเอาตัวผู้รู้ของเราเนี่ยกำหนดอยู่ที่โครงกระดูกอยู่ที่กระโหลกศีรษะตัวนั้นแหละให้กําหนดอยู่จุดตัดจุดเดียวเลยเมื่อมันเห็นชัดนะ แต่ที่แรกกรไล่ไปซะก่อนเลียงไล่ไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยไม่รู้กี่ครั้งตีกีห่หนไม่ต้องพูดถึง20 30ิบสามสรั้งกาหนดเรื่อยเรอตั้งแต่ฝ่าเท้าจนถึงศีรษะตลบไปตลบมาย้อนไปย้อนมาขึ้นมาถึงศีรษะก็ น, นึกลงไปไล่ลงไปจนถึงฝ่าเท้าจากนั้นกันนึกเอาไฟเผาดูสิไฟเผากระดูก แล้วก็ น, นึกดูเมืม่อเผาแล้วก็ดูกระดูกมันขาวยังไงถึงมาถึงศีใสนี่แหละถ้าเห็นกระดูกท่อนไหนในร่างกายทีนมันต้องมีนะทีนี้เมื่อเห็นมันจะชัดเจนในความรู้สึกที่เรากําลังพิจารณ า, นานเอาสติจับอยู่ตรงนั้ น, นกําหนดอยู่จุดนั้นพอกําหนดอยู่จุดนั้นแหะจิตใจของเราที่มันตัวที่มันนึกคิดมันปรุงอยู่ตลอดเว ล, ลาตลอเวลา นี่มันมันไม่ปรุงเลยมันอยู่กับเราบังคับเอาสติให้อยู่กับกระดูกอยู่แล้วงา น, นไม่ออกอีู่แล้วใจของเราก็รวมสงบหลงเป็นหนึ่งนะจเนี่ยจิตใจรวมปุ๊บเป็นหนึ่งเลยรู้ชัดตัวกายกับใจใจกับกายรู้ได้ชัดในขนาดนั้นเลยทช่ไหนี่แหละอันนี้เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิคือใให้ใช้ความคิดซะก่อน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 เป็ น, นถ้าจิตใจของเราปุ่งฟุ้งอยู่ตลอดเวลาจิตใจไม่มีกำลังจิตใจของเร า, เาท้อแท้อ่อนแอนปวกเปียกาหากดหาเกณฑ์ไม่ได้ทะเลทไลายไปเลยเผลที่สุดกร็มองคนตัวเองเบื่อไม่ใช่เบื่อหน่ายนะมันเบื่อแบบมันเบื่อแบบอะไร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 ยืดเพีงต้นเสาใหรือว่าจืดแล้วมันงอนเงินท่านท่านจะไม่แนะนำในการยืดโดยมากท่านจะให้เดินกับนั่งซะมากกว่าเวลานั่งก็อย่างที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวลูกหลานนั่งทำ ม, มาที่ยังไงแต่เดินมีทางเดินจงกมรมเกือบทุกกุิทีวัดของเราเวลาจะเดินจงกมรมพิธีเดินจงกรมทำยังไง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 ไหว้ครูซะก่อนพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆ3จบจากนั้นเอามือลงเอามือลงในระหว่างท้องน้อยในระหว่างท้องมือประสานกันข้ามือขวาทับมือซ้ายจากนั้นก็ก้าวขาขวาพุทขาซ้ายโถไม่ต้องเดินช้าแต่ไม่ต้องเดินเร็วเดินตามปกติ เหมือนกับพวกเราเดินไปศาลามาคุติอย่างเนี้ย่ะเดินขนาดนี้ละ่ะ เ, เดินพิดบาดขนาดนี้ละ่ะจะไปเดินช้าไม่ใช่ว่ายกก้าวขายกขึ้นมาพุทยกขาลงไปโถไม่ใช่ เ, เราเพราะว่าใจของเราเนี่ยมันไม่ใช่ใจช้าถึงขนาดนะ่ะใจของเรามันเร็วแนวความคิดเร็ว เ, เพราะฉะนั้นให้พวกเราให้ภาวนาขาขวาพุท ขาซ้ายโถพุทโถพุทโถเวลาไปถึงสุดทางจงกลมเลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวาเราหยุดพอหยุดแล้วก็ก้าวขาขวาพุธขาซ้ายโถพุทโถพุทโ ถ, โถเวลาเดินอย่าเอามือควายหลังอย่าเอามือขัดหลังควายหลังอย่าควายแขนอย่าไปเอามือกอดอก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 คณะที่เดินเราเปลี่ยนอริยาบทนะมันเคลื่อนไหวใช่ไหมมันก็ถ้าว่าการเดินยองกลมเรามีมันสงบได้ังนั้นแปลว่าคนนั้นความสงบในการเดินจะปราณีตกว่าลึกกว่าแ น, แนบแนบนิ่งกว่าโพดอย่างนั้นได้เพราะว่าเราเดินจองกลมเวลาเดินจิตใจสงบเนี่ยขามันจะ เข้ามาขาขาขวาซ้ายยืนนิ่งมีจิตสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนั้นแหละคือมันสงบในขณะขณะเดินไม่ใช่เดินบัลลังก์สงบไปในการเดินไม่ใช่นะ เ, เวลามันจะสงบเนี่ยขาขวาขาซ้า ย, ยมันจะชิดเข้าหากันเลยยืนนิง่งสงบเลยนิง่งรู้ไปรู้ล่ะพอจะทำมันจะถอนขึ้นมาอันนี้คือวิธีมันสงบในขณะที่เดิน ในเมื่อเราเดินไปแล้วจนเดินจนเหนื่อยกลับขึ้นมาอย่างที่ว่าขึ้นมาที่พักล้างเท้าเสร็จเรียบร้อยทําความสะอาดพอมากลับพอกลับพุทธโธธรรมโมสังโฆนิพพานังกลับพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์หวังพระนิพพานาจากนั้นก็ น, นั่งคัศมาธี่เลยปนมมือขึ้นระหว่างอกอย่างที่ว่ า, า, าพุทธโธธรมโมสังโฆนึกเสร็จเรียบร้อยเอามือลงบริกรรมพุทธโธพุทโธหรือกําหนดลมหายใจเข้าหายเจ้าทำมันยัง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 แนะนำสั่งสอนนี่แหละวิธีการภาวนานวิธีการปฏิบัติให้ลูกหลานทั้งหลายฟังฟังเอาไว้วิธีเวลาจะออกจากเดินทางเดินยังกลมทำอย่างไงเวลาเราเดินเหนื่อยแล้วก่อเวลาจะเดินยังกลมขดปนมมือขึ้นระวางหว้ายครูซะก่อนพุโทโธธรรมโมสังโฆจากนั้นแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลที่ข้าไปเจ้าได้เดินยังกลมภาวนาในครั้งนี้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 ข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่ น, น, นทั่วไตรโลกธาตุไม่ว่าสวรรค์ชั้นผงนรกอวีจีสัตว์ที่รฉานทุกประเภทขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกวิญญาณด้วยเถิดอันนี้แหละวิธีการแผ่เมตตาถ้าจะว่าไปคือแผ่เมตตาครอบจักรวาล เมตตาธรรมค้ำจุนโลกถ้าคนที่มีเมตตาต่อกันไปอยู่รัสถานที่ใดมีแต่ความสงบพร่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้าถ้าหากว่าไปอยู่รัสถานที่ใดมีแต่ความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวณต่อกนออนมมนอันความอิจฉายู่ที่ไหนความบรรลัยอยู่ที่นั่นความบนไลัยมันอยู่ความอิจฉากันเพราะฉนั้นเรามีแต่เมตตาความเมตตาอยู่รสถานที่ใด ความสุขสวัสดีพิพัฒนมงคลก็เกิดขึ้นในชุมชนในยุคนั้นสมัยนั้นเพราะคนทั้งหลายมีมเมตตาต่อกันนี่แหละอันนี้ก็คือวิธีการภาวนาวิธีการปฏิบัติเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านให้มีทางวิธีการปฏิบัติมาครั้งนี้คราวนี้หลวงพ่อเองจะจะ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 พระพุทธองค์ก็ได้ตรัสเป็นชาดกขึ้นมาบอกว่าสมัยหนึ่งมีกุงกราชสักขและกลุงพาราณสีแล้วก็มีพระเจ้าแผ่นดินอยู่ทั้งสองหัวเมืองแล้วก็มีเศรษฐีสองหัวเมืองอีกเป็นเมืองใหญ่แล้วก็ไปทำมาค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันในระหว่างเมืองอเมืองพาราณสี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 ก็เลยเอเท่าเป็นอย่างนี้ก็ทั้งหมดตัวก็คิดถึงแต่เพื่อนเศรษฐีอยู่ที่กรุงราชสัคืนี่แหละที่มีน้ำใจที่ไปมาหาสู่ธมาค้าขายด้วยกันก็คงจะไปหาพึ่งพาใสาเพื่อนที่กรุงราชสักคืดท่นี้ก็กบากหน้ามาหาเพื่อนแบบใช้ยานพาหนะ แบบคนยากจนนะพระมันตกอับแหละทั้งเดินทั้งอะไรมาถึงกรุงราชจะคือมากมาหาเศรษฐีกรุงราชจะคือเศรษฐีกรุงราชจะคือเห็นเอ้าเพื่อนมายังไงมาอย่างไงโอ้ยผมดําเนินกิจการผิดพลาดถูกยึดหมดตัวแล้วเพื่อ น, นทางเพื่อนคุณโอ้ยไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยว มาถึงแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะแบ่งให้เพราะคนนี้ก็มีมีสมบัติทั้งแปดสิบโกดกุงราช จ, จะคืก็บแปดิบโกดกุงพาราณสีก็แปดิบโกดเหมือนกันโกดนั่นก็คือสิบล้านนะสิบล้านเป็นโกรดท่นี้แปดสิบแปดสิบล้านนะแปดสิบโกดท่นี้เศรษฐีกุงราช จ, จะคือก็เลยเอา้าเปิดฉางออกมาเลยฉางสมบัติออกมา แบ่งให้เลย40ล้านเลย ใ, ใหญ่นะถือว่าเป็นเพื่อนกันไปมาหาสู่กันตกทุกข์ได้ยากให้ไป40ล้านจากนั้นก็แบ่งสมบัติส่วนอื่นให้อีกข้าถาสบริวารก็แบ่งให้ยกให้เป็นเครื่องหนึ่ง เ, เพราะว่าเป็นสหายกันพอเสร็จแล้วเอาไปาพวกล้อเกวียนแบ่งให้ครบทั้งหมดกลับไป พอกลับไปเขาในเศรษฐีคนนึงก็ตั้งตัวได้ใช่ไหมแอบเป็นเศรษฐีขึ้นมาอย่างเก่าพอต่อมาเทนี้เศรษฐีกรุงราชคืดเถเนี่ยดําเนินกิจการผิดพลาดยังไงอีกมาเลยล่มจมจิบพายอีกเถอเนี่ยถ้ามันคล้ายอย่างนั้นเขาคงจะไม่เป็นนิทานคงไม่เป็นชาดกอย่างที่ว่าจะนั่นก็ เ, เศรษฐีกรุงราชคืดเนี่ยก็แอเราก็ให้ช่วยเหลือเพื่อนเอ่ ตั้ง40่สิดเราคงควรจะไปหาเพื่อนเพราะเพื่อนเขาตั้งตัวได้แล้วของเราควรจะไปหาเพื่อนกรุงราชเกื้อนุนกัไปเลยพอไปถึงอยู่นอกเมืองก็เลยบอกให้พรนยาอยู่อยู่ที่ก่อนนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปหาเพื่อนก่อนเพื่อนคงจะเอารถเอาอะไรมารับแล้วเราคงยังค่อยเข้าไปเดี๋ยว้ผมเข้าไปก่อน ถ้าเธอเข้าไปก่อนเดี๋ยวจะเหนื่อยผมจะเข้าไปหาเพื่อนซะก่อนคนนึงกเ็เข้าไปเข้าไปเพื่อนอยู่นั่งอยู่ที่บันลังนั่งอยู่ที่อาชนะไม่ไม่ออกมาต้อนรับเลยมาเห็นเอาเพื่อนมาเหรอครับม า, ามาพักอยู่ที่ไหนล่ะพักอยู่ข้างนอกครับทั้งที่จะทักทายอย่างอื่นไม่ทั้งที่บอกบอกว่าที่นี่ไม่มีไม่มีที่พักนา เดี๋ยจะเอาเอาข้าวให้เออเอาข้าวเอาข้าวให้เอาไปกินข้างนอกเอาไปห่งต้มกินข้างนอกฮะเออเศรษฐีตัวนี้เนี่งไม่รู้จักบุญคนนะทีนี้เอ่อทีนี้ก็ให้คนเอาข้าวเอาข้าวหักนะไม่ใช่ข้าวสารอีกต่างหากนะแต่วันนั้นเน่ยข้าวที่เขาเอาเข้าขึ้นช้างเนี่ยข้าวชาลีเนี่ยเออเป็นตังร้อยเกวียนเอาขึ้น ฉางในวันนั้นแต่ให้เพื่อนเนี่ยให้ข้าเพียงเข้าหักเพียงสีทนานออไปเอาไปไปไม่ที่นี่ไม่มีที่พักแล้วก็หากินตามสบายสบายนะเพื่อนนะเออที่นี่ก็เพื่อนกรุงราชเกือกโอ้ทําไมเขาพูดอย่างนี้ได้กับเราแต่ถ้าว่าเราไม่รับของเขาไปก็เหมือนเราลังเกียจเดียดสัน่นะ ยังมีน้ำใจอีกจได้เอยังมียังมีน้าใจอีกถ้าเราไม่รับมันก็มิตรสหายก็คงจะแตกเอาเถอะเขาอาจจะมีความคิดบางอย่างในขณะนี้ต่อไปเขาอาจจะคิดดีกว่านี้ก็ได้ก็ยังมีเจตนาดีอยู่ เ, เพื่อนก็รับไปรับเข้าสาร4ีนานเข้าหักอีกต่างหักเอไม่ใช่ข้าวที่ดีไพอไปถึง แม่บ้านเขาก็นกคอยอยู่แม่บ้านก็ถามเอา้าทำไมได้อะไรมาโอ้เพื่อนเขาให้ข้าวมาสีทนานไม่ได้เรื่องล้วเพื่อนเขาบอกไปหาหูงหาอาหารหาที่อยู่ที่กินเองเถอะพอพูดท่านแม่บ้านของเศรษฐีที่มาร้องให้โหขึ้นมาเลยโอ้เราให้เขาทั้งรับทั้ง40โกรทั้งคู่ทั้งคนด้วยทั้งเกวียนทั้ง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 เฝ้า พ, พระเจ้าแผ่นดินเข้าไปเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินกรุงพาลานสีเข้าไปก็ยกธงป้ายขึ้นมาเนะบอกว่าเศรษฐีกรุงพาลานสีนี่ไม่มีน้ำใจเป็นผู้มีอคตัอยู่ไม่รู้จักบุญคุณของเพื่อนที่ให้เมตตาส ง, งเคราะห์น้ำยามเวลาตกทกตะยาก ตพอพระเจ้าแผ่นดินกรุงพาราณสีก็ตื่นตระหนกเหมือนกันอา้าวเรื่องอะไรมาโพดเจอะโพดเจกัพูนไปไปเรียกเศรษฐีมาพอเศรษฐีทั้งกรุงพาราณสีทั้งกรุงพระราชคือเฮ้ <Hey. S 1> ยูคนละข้างฟากกันเลพระเจ้าแผ่นดินก็ถามเอาโพดเจเนี <Hey. S 1> เป็นยังไงเรื่องราวเรื่องราวเป็นยังไงพระจุกพระเจ้ากรุงราชคือก็บอกว่า ข้าพเจ้าเป็นเศรษฐีสมัยก่อนอยู่กรุงราชกือเศรษฐีกรุงพาราณสีตกทุกข์ระ ย, ย่างด้วยเศรษฐกิจปีนั้นได้ไปพบข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ได้แบ่งสมบัติให้ทั้ง40โกดแล้วก็ข่าถาดบริวารขนทรัพย์สมบัติมาพวกเวียนอีกจนขนขนของสมบัติมาจนตั้งตัวได้แต่บัดนี้ข้าพเจ้าเศรษฐกิจ เล่นงานข้าพเจ้าข้าพเจ้าล่มจมเหมือนกับเศรษฐีเนี่ะยข้าพเจ้าก็เลยมาหาเพื่อนมาพึ่งพาอาศัยเพื่อนแต่พอมาถึงแล้วเพื่อนได้ให้ข้าวไปเข้าหักไปสี่ทนานก็เลยบวกลูกน้องบริวารเก่าก็เลยเดินนาข้าพเจ้ามาหาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงนี่แหละลักษณะอย่างนั้นนะ่ะ พระเจ้าแผ่นดินพระราชนิบอกว่าเฮ้ยเสถีเป็นอย่างที่เขาพูดทุกอย่างไหมมีอะไรแก้ไหมแก้ตัวไหมทางเศรษฐีกรุงพระราชนิยอมรับว่าครับเป็นอย่างที่เศรษฐีกรุงราชะคือพูดทุกอย่างครับพระเจ้าแผ่นดินได้ยินเท่านั้นโอ้โหโกรธอย่างมากเลยทีนี้ยึดทรัพย์ดึดทรัพย์ทั้งหมด มันเป็นของเศรษฐีกรุงราชสกุลไม่ใช่ของแกเนี่ยแกตกทุกข์ได้ยากหรอเขามาถึงขนาดนี้ทําไมไม่รู้จักบุญคุณของเขาทางพอจะยึดทรัพย์พระเจ้ากรุงเศรษฐีเมืองกรุงราชสกุลก็บอกวอย่าไปทําถึงขนาดนั้นถ้ากระผมกระผมขอสมบัติคืนก็นแล้วกันที่ตกทุกข์ได้ยากเพราะอเศรษฐีเนี่ยเขาก็มีฐานะ มั่นคงขึ้นมาแล้วก็ผมขอคืน40ล้านไอ้40่โกดก็พ อ, อ, อจากนั้นพระเจ้าเป็นเอกเล่บังคับก็พาบริวารที่มาที่ส่งมากลับไปคืนทั้งหมดแล้วก็เงินอีกให้อีก40โกดกลกับคืนกรุงราชคือนี่แหละอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เลยตรัสว่านี่นะ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 อย่าลืมลำลึกถึงพระคุณของผู้มีอุปกา ร, ค, รคุณถ้ามีผู้ให้พระคุณสำหรับเราอย่างชีเศรษฐีกรุงราชคือกรุงพาราณสีเมื่อเองตัวเองตกทุกข์มาหาเพื่อนเพื่อนช่วยเหลือยอย่างเต็มที่แต่พอตัวเองฟื้นตัวขึ้นมาได้พอเพื่อนไปหาไม่เห็นหัวเขาเลยดูสิมันถูกต้องไหมยอย่างนั้นอย่างน้อยก็ต้อง ลำเลึกถึงบุญคุณที่เขาให้กับเรานั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านลูกหลานทุกคนนะเกิดมาทั้งทีชีวิตให้ล้ำเลิศถึงพระคุณผู้มีอุปการคุณมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวนะแต่พวกเราไม่เห็นหัวใครแล้วก็นั่นแหละความจีบหายอยู่ใกล้ๆพวกเราท่านทั้งหลายนั่นแหละต่อไปภายภาคหน้านะและการพูดในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุติ อตอนนี้ไปนั่งสมาธิน่ทินเนี่ย